ก็เดี๋ยวเอาในคำพีมัชฌิมานิกายนมูลปัญนาตในพระสูตรที่ว่าด้วยวิตกะสันฐานสูตรวิตกะสันฐานสูตรเนี่ยว่าด้วยที่ตั้งแห่งวิตกที่ตั้งแห่งวิตกวิตก ะ, กะก็คือวิตกนั่นเองเนี่ยวิตกที่ตั้งก็ดทางเดินสันฐานะ สันฐานก็แปลว่าที่ตั้งเป็นที่เกิดของวิตกอะไรเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดของวิตกวิตกนี่ก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าคำวิตกะนี่แปลว่าอะไรการตรึกการตรองการตรึกการคิดนึกฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยโดยมากก็อยู่กับไอตัวนี้แหละในชีวิตที่แบบเราจะ ดำเนินชีวิตอย่างไรเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องในตัววิตกนี่แหละใช่ไหมถ้าเป็นวิตกในทางที่ถูกต้องเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะใช่ไหมใช่กลุ่มสัมมาสังกัปปะเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มของอยู่หมวดของศีลหมวดของสมาธิหรือหมวดของปัญญาอยู่หมวดไหนัญญ <Yeah. S 1> วิตกนี่อยู่หมวดไหน <Yeah. S 1> เน้นบอมนะ วิตกอยู่หมวดไหนวิตกก็แปลว่าการความตริก็หมายถึงการจรดหรือปักจิตลงไปในอารมณ์หรือยกจิตใส่อารมณ์ก็ได้วิตกอยู่ในหมวดของปัญญาไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในหมวดของสมาธินะอยู่ในหมวดของปัญญานะันตัวหมวดของปัญญานี่แหละก็อยู่ในชั้นของสัมมาทิฏฐิแล้วก็กลายเป็น สัมมาสังกปะใช่ไหมถ้าเป็นกลุ่มสัมมาสังกปะก็กลายเป็นตัวตรึกการคิดในทางที่ดีไปใช่ไหมก็มี3มส่วนในส่วนของเนคขมะสังกปะอัพยาบาทสังกปะอวิหิงสาสังกปะนี่รวมเป็นสัมมาสังกปะ ทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของสัมมาสังกปะก็เลยมาพูดถึงในเรื่องของมิจฉาสังกปะด้วยใช่ไหมฉะนั้นตัววิตกเนี่ยมันเลยเป็น2 ส, ส่วนเป็นทั้งสัมมาวิตกและก็มิจฉาวิตกทีนี้พูดถึงในเรื่องของตัวมิจฉาวิตกก่อนเช่นกามสังกปะเนี่ยก็คือกามวิตกความดาริที่เกี่ยวกับข้องกับกามความนึกคิดในทางที่จะแสวงหา หรือในการที่จะหมกมุ่นพัวพันติดข้องอยู่ในสิ่งที่สนองความต้องการทางภาษาทั้ง5คือทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือสิ่งที่จะน้องตั้นหาและอุปาทานที่พูดไปเมื่อวานนี้คือความคิดในทางเห็นแก่ตัวเป็นความคิดในฝ่ายราคะคือความกำหนัดยึกลุ่มโลภความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความตรึกหรือความดําริที่เกี่ยวข้องกับการก็เป็นอย่างนี้แหละ เป็นบ่อยไหมในชีวิตประการวาสังกปะดัมบีไปในกามดัมบีไปในสีที่สวยๆเสียงที่เพราเๆ้กลิ่นที่หอมหอมรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆสภาพที่น่า ย, ยินดีน่าเพลิดเพลินช่วในให้รักชักให้ไข่พาใจให้กําหนัดชอบไหมชอบเอาจิตไปตั้งอยู่ในในกามในวัตถุกามเหล่านี้ไหมมันจะมีตัวกิเลสกามใช่ไหมและตัววัตถุกาม ไอตกิเลสการมนี่ก็คือความไอกิเลสที่เป็นตัวไข้เป็นตัวยินดีเป็นตัวเพลิดเพเลินแล้วก็ตัววัตถุกรรมเนี่ยเป็นตัววัตถุที่น่าไข่น่ายินดีน่าเพลิดเพลินถามว่ามนุษย์เนี่ยใจก็จะเพ้อหาสิ่งเหล่านี้แหละเสาะหาสะแสวงหาใช่ไหมว่างั้นเถอะแสะหาร่านลนก็ได้ใช้คําว่าร่านลนในการที่จะ อยากจะได้สีที่สวยๆเสียงที่เพราะๆตอนนี้ยังมีอยู่ไหมความร่านรนตัวเนี้ยจิตที่มันร่านรนในการที่อยากเข้าไปหาสีเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ที่น่าปราถนาน่าไขา้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ไข้พลาใจให้กำหนัดยังมีอยู่ไหมมีไหมตัวกางมาสังกับผักมีไหมมีอ่าอมีเนี่ยมากไหมโดยมากคิดกางประกุ่มไหน เออกามกลุ่มไหนนอนสบายออใช่ไหมอยากแกอยากจะได้พักผ่อนอยากจะสบายใช่ไหมอยากจะมีความสุขอยากจะได้บรรยากาศที่ดีๆมีความคิดใช่ไห ม, ม อ, อ, อยากอาหารอร่อยอร่อยใช่ไหมสัมผัสที่นิ่มๆเป็นต้นออต่อมาคือพยาบาทสังกปะากลุ่มพยาบาทสังกป่าเนี่ย พยาบาทวิตกหรือความดำรีที่ประกอบไปด้วยความขัดเคืองไม่พอใจเครียดแค้นชิงชังคิดเห็นก็คือเพ่งมองในแง่ร้ายต่างๆมองคนอื่นเป็นศัตรูที่มากระทบกระทั่งเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไปในทางขัดอกขัดใจเป็นความคิดนึกในฝ่ายโทสะในแง่ถูกกระทบตรงกันข้ามกับเมตตาหุดหงิดบ่อยไหมชีวิตขัดเคืองอากาศร้อน ใช่ไหมสิ่งแวดล้อมไม่ดีห้องรกลุงลังรู้สึกขัดเคืองหมดเลยอันเนี้ยผู้คนไม่ยิ้มย้มแจ่มใส <c oughs> มันรู้สึกไม่พอใจมันขัดเคืองอย่างเงี้ยอันนี้กลุ่มอะไรกลุ่มพยาบาทพยาบาทวิตกอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มวิวหิงสาสังกับปะหรือวิหิงสาวิตกอันนี้คือความดมฤติในทางที่จะเบียดเบียน ทำร้ายข่มเหงตัดตอนหรือทำลายอยากไปกระทบกระทั่งรุกรานผู้อื่นนี่ความที่อยากจะรุกรานเขาเบียดเบียนเาอยากทำให้เขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นความนึกคิดในฝ่ายโทสะในแง่ไปกระทบตรงกันข้ามกับการุานาเห็นไหมว่าพยาบาทเนี่ยสังกปะาเนี่ยดําริในพยาบาทเนี่ย ในความขัดเคืองไม่พอใจเนี่ยมันตรงกันข้าม ก, กับเมตตาเมตตามันรักก ร, ราถนาดีเ อ, อือทอนเยอะนะส่วนวิหิงสาสังกปะเนี่ยคิดเบียดเบียนเนี่ยคิดทําร้ายคิดข่มเหงคิดไปตัดรอนเขาอยากไปลุกหานเขาเนี่ยอยากไปเบียดเบียนทําให้เขาเดือดร้อนทําให้เขาประสบความทุกข์มันเลยตรงกันข้ามกับกรุณาไม่เหมือนกันนะแต่เป็นกลุ่มโทสะเหมือนกันโทสะประเภทหนึ่งโกรธเครียดวิตกกังวล โทรศประเภทนึงคิดไปเบียดเบีย น, น, นเขาเลยสรุปแล้วตัวนี้เกิดบ่อยไหมในชีวิตกางมาสังกปะดําริดในการพยาบาทสังกปะดําริในความขัดเคืองวิหิงสาสังกปะก็คือในการเบียดเบียนเขาเนี่ยทีนี้ไอแนวความคิดแบบนี้เป็นเรื่องปกติของคนส่วนมากต้องใช้คําว่าปกติของคนส่วนมากของคนที่ปล่อยให้บากราดรถดในจิตใจนะตามธรรมดาในิยบรุช น, นี่เวลารับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งปุ๊บ โดยการเห็นได้ยินได้กลิ่นเป็นต้นก็จะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ ถ, ถูกใจชอบใจติดใจอยากได้พัวพันธ์ก็คล้อยตามใช่หมถ้าไม่ถูกใจไม่ชอบใจขัดใจขัดเคืองผักแย้งไหมก็เป็นปฏิปักษ์ดําหลกคิดนึกต่างๆก็ดําหลไปตามแนวทางหรือตามแนวแห่งการที่จะผลักดันหรือความชอบและความไม่ชอบเนี่ยด้วยเหตุนเนี้ย ความคิดของบุรชนทั้งหลายต่างๆจึงไปดําเนินไปจากความถูกใจชอบใจเกิดความติดข้องพัวพันธุ์ก็เอียงเข้าก็กลายเป็นกามวิตกถ้าดําเนินไปในทางที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจเกิดความรู้สึกกระทบกระทั่งขัดเคืองชิงชังเป็นปฏิปักษ์มองในแง่ร้ายก็กลายเป็นพยาบาทวิตกพุ่งออกไปต้องการจะรุกรานเขาเบียดเบียนเขากันแกล้งเขาข่มเหงเขาแล่นล่าทําลายก็กลายเป็นวิหิงสาวิตก ถ้าไม่เกิดทัศนคติหรือเจตคติต่อสิ่ง ต, ต่างๆอย่างไม่ถูกต้องเป็นไม่เป็นเนี่ยมันจะมีสามกลุ่มเนี่ยไอ้กลุ่มกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกในชีวิตของเราที่มาเป็นนักบวชแล้ว <c oughs> <c oughs> เออในสามตัวเนี่ยยังมีอิทธิพลอยู่ไหมมีไม่มี mm hmm. ถ้ามีมีตัวไหนที่มันไหลแหล่นในใจเรามากการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตก ยังมีเกิดไหมตัวไหนกามหนึ่งได้ความดัมิบลด์ได้ความคิดที่เอนเอเนียงนี่ที่มีทัศนคติที่บิดเบือนเนี่ยถูกเคลือบแฝงเช่นนี้มันเกิดขึ้นเ พ, นเพราะอะไรไขาดโยนิโสมนิสการขาดความเป็นผู้ฉลาดคิดก็คือมองในสิ่งต่างๆอย่างผิวเผินแล้วกมีการรับรู้อารมณ์ที่เข้ามาทั้งดุน ก็คือขาดสติสําหรชัญญยะนั่นเองแล้วก็ปล่อยความคิดให้แล่นไปตามความรู้สึกให้ไม่แล่นไปตามจิตใจนี่นะตามความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือตามเหตุผลที่มีความชอบใจไม่ชอบใจเป็นตัวนําไม่ได้ใช้ความคิดวิเคราะห์แยกแยะหรือความคิดสืบสาวค้นหาเหตุปัจจัยตามหลักของโยนิโสมนสิกันพอเกิดดําริหรือความคิดในลักษณะนี้ขึ้นมาปุ๊บไอ้มิจฉาทิฏฐิในความเข้าใจผิดพลาด ไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเนี่ยก็ทําให้เกิดมิจฉาสังกับปะใช่ไหมมันมาจากอะไรเนี่ยมันมาจากอโยนิโสมนุิการความเป็นผู้ไม่ฉลาดคิดความเป็นผู้ไม่ฉลาดคิดมันเป็นปัจจัยแก่ความเป็นผู้มิจฉาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ผิดใช่ไหมจากความเห็นที่ผิดมันก็เลยกลายเป็นมิจฉาสังกับปะก็เลยดําหิีดผิดดําับหลีดไปในกามดําหิีดไปในพยายบาทดําหิีดไปในการเบียดเบียนเป็นต้นเหล่านี้เนี่ ย, ยาการไม่คิดแยกแยะไม่สืบสาหาเหตุปัจจัยตามหลักของโยนิโสมนุิย์การเนี่ย มันเลยกลายเป็นมิจฉาทิฐิเลยการเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดไปเลยเนี่ยนะไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นผลสะท้อนให้เกิดมิจฉาทิฐิเข้าใจและมองสิ่งทั้งหลายอย่างผิดพลาดบิดเบือนต่อไปมันก็จะกลายเป็นผลสะท้อนอย่างเงี้ยจากการดำริผิดนะดำริเข้าไปในกรามดำริไปในพยาบาทดำริ่ไปในการที่จะมุ่งทําลายเขาเปลี่ยนเบียนเขาปุถุสลายเขาเป็นต้นเหล่าเนี้ยมันเลยมองสิ่งทั้งหลายอย่างคาดเคลื่อนไม่ตรงต่อความเป็นจริง การมองในสิ่งทั้งหลายที่มันคาดเคลื่อนไปตรงต่อความเป็นจริงมันก็สะท้อนกลับมาเป็นความเห็นที่ผิดเพราะไอ้ความเห็นที่ผิดเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มองสิ่งทั้งหลายอย่างผิดพลาดจะบิดเบือนต่อไปและยิ่งไปกว่านั้นก็คือองค์ประกอบทั้งสองอย่างทั้งมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดและมิจฉาสังกรประดัรบผิดมันก็ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันไหมสนับสนุสนเรื่องไม่สรำลบนทั้งมิจฉาสังกรประนะและมิจฉาทิฏฐิเนี่ยความเห็นผิดและความดับบลีผิดเนี่ย สองตัวนี้เขาเกื้อหนุนกันไหมเกื้อหนุนกันประกอบกันไหมมีการประกอบกันเป็นบางข้งบางคานในขนาดเดียวกันเป็นตัวผักตันทำให้มันหมุนทาให้เกิดขึ้นที่นี่ตรงกันข้ามแหละถ้าสมมติว่าถ้ามองสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องตามที่มันเป็นได้ก็จะต้องใช้อะไรใช้โยนิโสมนสิการใช่ไหมเพราะถ้าใช้โยนิโสมนสิการปุ๊บ ขณะนั้นความคิดและความดำริต่างๆก็จะปลอดโปร่งเป็นอิสระไม่มีทั้งความชอบใจและความติดพัวพันหรือความไม่ชอบใจหรือความผักแย้งทั้งหลายเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นการเป็นปฏิปักษ์ต่างๆเลเนี้กรณีอย่างนี้ก็คือเวลามีโยนิโสมนสการความเป็นผู้ฉลาดคิดขึ้นมาตัวสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเกิดหรือไม่เกิดพอความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นมาปุ๊บไอ้สัมมาสังกัปปะก็เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดสัมมาสังกัปปะ พอเป็นปัจจัยเกิดสัมมาสังกปะ์ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นสัมมาสังกปะที่เป็นฝ่ายกุศลเกิดขึ้นแล้วแต่เนี้ยก็กลายเป็นเนคขมภาษังกปะ์เห็นไหมเนคขมภาษังกปะนี้ก็แปลว่าอะไรตัวเนคขมภาษังกปร์นี้นั้นตัวสัมมาสังกปะเนี่ยเมื่อเทียบกับหลักในการที่จะทําความเข้าใจก็กลายเป็นเนคขมภาษังกปะก็คือการคิด การคิดในการที่จะออกจากกกกาามออจความยินดีออกจากความเพลิดเพลินออกจากความติดใจฝ่ายกษัตริย์ทั้งหลายม่นคิดออกเลยน้อมออกเลยเป็นไปกกุศลเลยอภิยาบาทอภิญาปาท่าสังคป า, าก็มุ่งเจริญเมตตาเป็นหลักเลยจิตที่น้อมไปในในเมตตาเป็นไมตรีปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขเห็นอกเห็นใจความเข้าใจดีต่อการการฝ่ายใจหรือการต้องการสร้างเสริมประโยชน์ ให้แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยเมตตาตาก็เลยเป็นธรรมะที่เป็นกลางกลางทั้งในแง่ผู้ควรมีเมตตาและในแง่ผู้ควรได้รับเมตตาก็เกิดสภาพของเมตตาก็เกิดขึ้นเนี่ยคุณธรรมต่างๆนี่เกิดขึ้น ก, ก็กลายเป็นอภิยญาบัตสังฆปัตหรือถ้ามองอีกอย่างหนึ่งก็กลายเป็นอะไรเนี่ยเป็นเอวิหิงสาความคิดไม่เบียดเบียนที่เป็นไปกระโดนาในสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ ก็เกิดขึ้นเนี่ยไปไปมาก็เลยกลายเป็นจากเนคขมัสังกปะน้อมออกจากกามเอาพยาบาทสังกปะน้อมไปในเมตตาเอาหิงสาสังกปะก็คือคิดไปในการที่จะ ก, กรุณาคนอื่นก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อมาจากอะไรเนี่ยไอยตัวโยนิโสมนสิการเนี่ยมันมองเห็นตามสภาวะตามความเป็นจริงก็เลยเป็นปัจจัยเกิดสมาธิถิต พอเกิดสมาธิทิฐิปุ๊บก็เลยกลายเป็นปัจจัยให้เกิดสัมมาสังกัปปะก็เลยเป็นการดําริออกจากกามคือดําริอย่างไร้กามไร้กามไม่น้อมไปในการที่จะไปยินดีเพลิดเพลินไปติดใจไปกระสันไปและน้อมออกจากกามนะมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไปเลยแตเนี้ยแล้วก็ยังไม่ใช่แค่นั้นเป็นอัพยาบาศสังกัปปะน้อมออกจากพยาบาศเข้าถึงเมตตานีแล้วก็น้อมออกจาก วิหิงสาคือการเบียดเบียนเข้าถึงกรุณาเลยฉะนั้นตัวโยนิโสมณัตจการเนี่ยก็เล้ากุศลกลายเป็นความเสียสละใช่ไหมเพราะไอ้ตัวการมสังกปะเนี่ยมันเห็นแก่ตัวอยากจะอยากจะถือไว้ยึดไว้ติดวผูกพันไว้แต่ถ้าหากเป็นโยนิโสมนัตจการที่เป็นไปในลักษณะของสัมมาเป็นประจัยกับสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกปะปุ๊บ ก, ก็คิดเสียสละคิดให้คิดแบ่งปันใช่ไหม ไม่ติดในกาไม่ติดในวัตถุมองเห็นสิ่งทั้งหลายว่าเออจะเป็นประโยชน์เลยเนี่ยจะเห็นถ้าหากกามสังกปะมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นวัตถุกาเป็นวัตถุที่น่าใครบ้านก็น่ารักน่าชื่นชมน่ายินดีรถก็น่ารักน่าใครน่าชื่นชมน่ายินดีเราต้องมีบ้านเราต้องมีรถเราต้องมีทรัพย์ก็จะยึดติดห่วงแหนทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเนกขมะสังกปะคิดอะไรคิดสละคิดให้คิดแบ่งปันใช่ไหมเออมันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ยังไงเป็นต้น ถ้าอัพยาปาทาสังกปะก็คิดเมตตารักปรารถนาดีเอื้อทอนก็เกิดแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นพยาปาทาสังกปะก็โกรธเกลี้ยงขัดเคืองแค้นใจแต่ถ้าหากเป็นเนกขมะไอเป็นอภิยาปาทาสังกปะก็เมตตารักปรารถนาดีเอื้อทอนนี่มาจากโยนิโส ถ้าเป็นวิหิงสาสังกปะก็เบียดเบียนคิดอยากจะเบียดเบียนเขาอยากจะไปรุกรานเขาอยากจะไปทําให้เขาประสบความทุกข์ถ้าเป็นอวิหิงสาสังกปะก็กลายเป็นคิดกรุณาเขาอยากจะเกื้อหนุนอยากจะช่วยเหลือเขาเป็นต้นอะไรเนี้ยเป็นการเล้ากุศลเลยเร้าวความเสียสละเร้าเมตตาเล้าการุณาให้เกิดขึ้นในกระแสของความคิดเห็นไหมสัมมาสังปกปะเป็นแบบเนี้ยจากสัมมาสังปกปะมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยแก่สัมมาวาจารณ์ไหม เออการเป็นสัมมาวจาเลยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเกิดในกามสังกปะใช่ไหมเกิดดํารีผิดนะดํารีไปในกามเนี่ยพอดํารีไปในกามปุ๊บมันมาจากอะไรเนี่ยมาจากอโยนิโสอายนิโสเป็นปัญญาแก่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็เป็นปัญแก่การคิดขหากรรมคิดแบบติดใจไส่กระสัรอยากได้ทรัพย์มากๆอยากได้เงินมากๆอยากได้รถอยากได้อู้หูมันมีความกสันอยากได้ขึ้นมา พราะมันตาริในกาง ม, มากๆปุ๊บมันเป็นวิชาวาจาเลยนะตอนี้เวลาพูดออกมามันก็จะพูดอย่างนั้นแหละพูดอยากจะได้ของเขาให้ขอหน่อยได้ไห ม, <c oughs> มต้องเงิข้าวใช่ไหมแต่ถ้ามันพลิกมุมกลับจากโยนิโสมนสิการเป็นปัญญาเก่สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องจากความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาสังกปัปปะความตาริที่ถูกต้องเออเป็นเนคขมัสสังปปะก็ตาริ่คือการสละอยากจะให้ใช่ไเออน้อมจะสละแล้วใจมันน้อมจะสละจะให้จะแบ่งปัน จากน้อมสละให้แบ่งปันปุ๊บเป็นปัจจัยแก่อะไรเนี่ยสมาวาจานี่ผมให้คุณนะ อ, อ่าเป็นสมาวาจาร์แล้วใช่ไหมเป็นสมมารกรรมตาเป็นการกระทําที่ถูกต้องเป็นสมาอาชีวะเป็นการประพฤติอาชีพที่ถูกต้องเป็นต้นเนี่ยมันรันกันอย่างเนี้ยทีนี้เนรายละเอียดยังยังไม่เข้าไปตรงนั้นก่อนที่จะพูดทั้งหมดก็พูดในวิตก <c oughs> ก็เลยเกินวิตกสองกลุ่มว่าสมัยหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าประทรับอยู่ที่เชตวนันอารามของท่านนาถาพินิกาเสดฐีใกล้กรุงสาวัตถี ณที่นั้นพระพุทธเจ้าเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายขั้นภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วก็ตรัสว่าภิกษุผู้ขวนขวายในที่จิตคือพระุทธเจ้าสอนวิธีกําจัดอกุศลวิตกวิธีกําจัดอกุศลวิตกก็คือวิธีกําจัดกาโมวิตกวิธีกําจัดพยาบาทวิตกวิธีกําจัดวิหิงสาวิตก วิธีจะกาจัดว่าไอ้จิตที่มันตรึกในกลามเนี่ยมันเข้าไปตั้งอยู่ในกลามอยู่เรื่อยไปคิดในกามอยู่เรื่อยในความติดใจไปกระสัรเนี่ยหรือความคิดที่ไปเกิดความกโกรธความเครียดง่ายเนี่ยหรือความคิดที่เป็นไปในลักษณะของเบียดเบียนอยากจะทบกระทั่งเ้าเนี่ยไอ้ความคิดแบบเนี้ยอ้าวถ้ากลุ่มม่วงเนี่ยอยู่ในวิตกกลุ่มไหนกลามวิตกพยาบาลวิตกน่มรืองสาวิตก เป็นทั้งกามก็ได้ทีนี้มิท่าประกอบในสาสตรสังคาลิกอภสุจน์นี่ใช่ไหมกามไม้ตกก็ได้พยาบาทก็ได้วิหิงสาก็ได้คิดในกามนี่แหละนต่เ ข, า ก, เขาก็ง่วงหาวอดวอดอยู่นี่นแหละคิดในพยาบาทนี่แหละงดีงนี่แหละก็ง่วงอีกใช่ไหมหดหูหดหัวคิดเบียดเบียนก็ด้วยเหมือนลังคาลนึเกินนี่นกริมร้งองร้องร้นี่ลังคาลนึเกินแต่เขาง่วงหดูเนี่ย มันอยู่ในกลุ่มนี้แหละการวิตกพยาบาทวิโตกผูาา้หิงส า, าวิโตกได้ทั้งนั้นเนี่ยวิธีกําจัดเอา้ามีวิธีกําจัดอกุศลนีตกภิกษุผู้ขวนขวายในอทิจิตถ้าไปเจอพท์นี้คําว่าขวนขวายในอธิจิตหมายถึงจิตที่ยิ่งกว่ากุศ ล, ลกรรมบดนะจิตที่มันยิ่งกว่าทานเทวกุศลศีลกุศลนะมันยิ่งกว่ากุศลกรรมบท ยิ่งกว่าการละปฏิบัติอธินาทานการเมียสุมิชาจารย์มุสาวาตปิสุนาวจาพุทธเสวะจารสปปราปามันยิ่งกว่านะคิดในเรื่องการคิดในเรื่องพยาบาทคิดออกจากการคิดออกจากพยาบาทแล้วก็คิดในเมตตามันยิ่งกว่ายิ่งกว่ากุศลกรรมบทเนี่ยก็คือสมาบัติแอันเป็นบาทของวิปัสสนาเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเราขวนขวายขวนขวายจะได้ปฐมฌานทุติยฌานตัิธิฌานจดุลิฌานเนี่ย หรือได้อรูปชานขว์ขวายจะได้พน า, า, าจิตขวนขวายที่จะได้สมาบัตร8นี่นะเพราะถ้าได้สมาบัตร8แล้วจะได้เอาไปเป็นบาทของการเจริญวิปาาัสสนาญาณอย่ไหควรใส่ใจถึงนิมิต5ประการตามเวลาอันสมควรออนิมิต5ประการมีอะไรบ้างในนิมิต5ประการก็คือภิกษุในพระธรรมวิ น, นัยนี้ควรใส่ใจนิมิตที่ประกอบไปด้วยกุศล คำว่าควรใส่ใจในนิมิต ท, ที่ประกอบด้วยกุศลนั้นก็คือใส่ใจในนิมิต ท, ที่ประกอบไปด้วยทา น, นกุศลศีลกุศลนิมิตเกี่ยวในเรื่องของสมถะและก็วิปัสนาที่มันอื่นอื่นจากนิมิต ท, ที่ใส่ใจเป็นอารมณ์แล้วทําให้เกิดวิตกอันเป็นบาปกุศลกรรมอลามกที่ประกอบไปด้วยฉันทะฉันทะในที่นั้นก็คือประกอบไปด้วยโลภะ ค, ความกําหนัดที่ประกอบด้วยโทสะ ค, ความโกรธและโมหะความมืดบอด พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเธอใส่ใจในนิมิตดังกล่าวเธอก็จะย่อมละอกุศลวิตกนั้นได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิดารงมั่นโดยแท้พอละกามวิตกพยาบาทวิตกผู้หญิงสาววิตกได้แดยตรงนี้ก็วิธีแก้ข้อแรกเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าเราเนี่ยถูกกามมวิตกเนี่ยกุ้มรุมความติดใจใฝ่กระสั์กุ้มรุมอยู่ในกาม พยาบาทวิตกความเครียดความโกรธมันกุ้มรุมในใจแล้วก็วิหิงสาวิตกความคิดในการที่ไปเบียดเบียนคิดจะไปกระทบกระทั่งไปเบียดเบียนเขาไปพุทสลายเขาเป็นต้นถ้าเกิดอากุศลตกวิตกเหล่านี้ก้มรุมในใจแล้วเนี่ยให้เปลี่ยนนิมิตให้เปลี่ยนวิธีคิดเอาวิธีคิดก็คือไปเปลี่ยนไปหานิมิตในทา น, นกุศลก็คือเรื่องทา น, นกุศลที่เราได้เคยทํามาทั้งหมดเนี่ย การให้การสลักการแบ่งปันให้ไปคิดในเรื่องนี้ใช่ไหมทีนการคิดในเรื่องนี้มันก็เลยเป็นการสละสลัในเรื่องของทานเนี่ยเป็นการสลักข้างนอกด้วยสลัข้างในด้วยที่เราเคยจํานิมิตหมายเหล่านี้ได้แล้วแล้วพอไปคิดในเรื่องของทานคือการให้หรือจาคะที่ถูกต้องแท้จริงเนี่ยมันก็กลายเป็นจาคะเป็นการสลักวัตถุข้างนอกด้วย แล้วก็จาค้าที่ถูกต้องกกลายเป็นการสละความโลภความโกรธความหลงที่มีความช่าชื่นใจเกิดขึ้นจากการได้การสละกิเลสจากการให้เบตเตอร์เหล่านี้ยให้ไปคิดนิมิตเหล่านี้แล้วเนี่ยบาปกุศลกรรมมันวิวตกวกกมวิโตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกทั้งหลายจะละหรือไม่อย่างนั้นก็ให้ไปคิดถึงศีลเพราะศีลก็เป็นการละปณติบาตเว้นขาดจากการฆ่าการเบียดเบียนวิจัยกรุณาเอือ้เอเยนดูเกัต์ทั้งหลายด้วยเห็นไหม นันใจกไ็ไม่ไม่คิดประทุษร้ายด้วยหรือละอธินาทานเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ด้วยการเห็นขโมยเนี่ยใจก็เลยปรารถนาดีให้ทรัพย์สมบัติของบุคคลใดก็จงเป็นของบุคคลนั้นไม่มีจิตที่ไปคิดประทุษร้ายหรือคิดน้อมเอาทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนเองเนี่ยเออนิมิตเหล่านี้ถ้าคิดแล้วนะวิตกมัญจการเมืวิตกเป็นต้นมันจะลดหรือคิดในการที่จะละ การประพฤติผิดในการมปราถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขกับคู่ของตนเองมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นต้นละมุสาวาจนะพูดแต่คําสัตว์คําจริงและปิสุนาวาจาวาจาที่กล่าวส่อเสียให้คนเขาแตกแยกกันให้คนเขาทะเลาะกันกับการที่นึกถึงการที่เราได้พูดให้คนสมัครสมานสามัคคีการส่งเสริมคนสมัครสมานสามัคคีกันเชื่อมคนที่แตกเล้ากันให้เข้ากันได้อย่างสนิทละ วาจาหยาบก็คือพูดแต่ปิยาวาจาละวาจาเพื่อเจริเนี่ยพูดแต่สิ่งที่มีเป็นอัฏฐาเป็นธรรมะแล้วก็รัจา ก, การดื่มของมืนเมาเรื่องของมืนเมาใส่ในกระแสชีวิตเนี่ยพอคิดถึงนิมิตเหล่านี้แล้วนวิตกเหล่านั้นจะสงบพอกามมาวิตกทัง้งหลายถ้าไม่สงบคิดถึงสมถะเช่นคิดถึงพุทธคุณแลลึกถึงคุณของ พ, พ, อพระพุทธเจ้าแม้เพราะเหตุนั้นพระพรุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พริเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมในวิชา8ปจรย์นาเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นต้นเอออย่างเงี้ยนะหรือนึกถึงหรือใจน้อมไปในสมถะนอนไปหาความสงบความตั้งมั่นแห่งจิตความผ่องใสแห่งจิตความสงบแห่งจิตภาวะที่จิตนั้นมีความอาถรรพ์ล่าเริงผ่องใสสงบแล้วก็เป็นจิตที่ใสกระจ่างมองเห็นอะไรได้ชัดอา้าวหรือไม่อย่างงั้นก็ให้เราเลือกถึงวิปัสนาญา ให้พิจารณาถึงสิ่งทั้งหลายด้วยความมีเที่ยงเป็นทุกข์และเป็นหน้าตาเป็นต้นพอคิดอย่างนี้ปุ๊บพระเจ้า ว, ว่าการมวิตกคิดตรึกในเรื่องการพยาบาดวิตกตรึกในเรื่องของความพยาบาดวิหิงสาวิตกตรึกในการคิดเบียดเบียนคนอื่นก็จะสงบราบคาบไปท่านก็เรียกอุปมาว่าอุปมาเหมือนกับช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ผู้ชํานาญนะใช้ลิ่มอันเล็กตอกโยกถอนลิมอันใหญ่ออกก็ได้เั่นใดคือเวลา ไอช่างไม้สมัยก่อนเนี่ยเวลาเขปลูกเรือนสร้างบ้านเนี่ยเขาจะใช้ใช้ริมริมริมอัดเข้าไว้ทําเป็นแทนตะปูแทนน็อตเนี่ยนะ เ, เขาใช้ริ่มสลักเข้าไว้ทีนี้เวลาเราจะเอาริมออกจากไอไม้นี่เราจะไปใช้ริมใหญ่ตอกไม่ได้ต้องใช้ริมที่เล็กกว่าเพราะงั้นเดี๋ยวจะคับที่รูเนี่ยก็ใช้ริมที่เล็กเนี่ยไปรองไว้แล้วก็ตอกตอกปึก๊กปึ๊กป๊กปึกปก๊นี่ให้มันออกก็จะสามารถตอกโยกคลอนริ่มที่ใหญ่เนะ่ ที่มันอยู่ในไม้หรืออยู่ในเสาอยู่ในแผ่นกระดานเป็นต้นให้ออกได้ชันใดภิกษุก็ฉันนั้นอุบาสกไบสกาก็ฉันนั้นเหมือนกันให้ใส่ใจนิมิต ท, ที่ประกอบไปด้วยทานกุศลศีลกุศลสมาธิกุศลแล้วกัปัญญากุศลนี่แหละที่ประกอบด้วยกุศลอื่นนะจากนิมิต ท, ที่อาศัยแล้วใส่ใจอยู่ทําให้เกิดวิตกันเป็นบา ป, ปกุศลก็คือว่าถ้าเกิดบาปอกุศลที่ประกอบไปด้วย ขันท่าโทสะหรือโมหะประกอบเวราคัาโทสะโมหะเมื่อเธอใส่ใจในิมิตตนกาวแล้วเธอย่อมละกาไมวิตกพยาบาทวิตกหญิงสาววิตกนั้นได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็จะเข้าถึงความตั้งมัน่นดํารงมัน่นสงบเป็นสมาธิย่งแน่แท้เพราะวิตกเราเพราะละวิตกเหล่านั้นได้เป็นต้นอันนี้คือข้อแรกในวิธีการละวิตกอันนี้ก็เอาไปใช้เคยใช้ไหมแบบนี้เออเนี่ยเอาไปใช้บ่อย นี่วิธีการที่เราจะแก้ปัญหาชีวิตของเราเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มรู้วิธีการแก้ปัญหาไม่มีหลักแก้ปัญหาแบบคิดเอาเองแต่พระเจ้าเนี่ยมองบอกหลักวิธีการในการที่จะแก้กามวิตกพยาบาทวิตรกหญิงสาวิตกที่มันประกอบไปได้วยโลภะประกอบไปด้วยโทสะประกอบ ไ, ได้วยโมห oh ะวิตกเหล่านี้มันเป็นบาปอกตัวและทำมันชั่วร้ายมันทําให้จิตใจเราเนี่ยเศร้าหมองจิตใจเราขุนมัวจิตใจเราเนั้นประกอบไปสิ่งที่ไม่ดี เพราะเราคิดอย่างนี้จะสามารถละได้ข้อแรกทีนี้ถ้าภิกษุนั้นใส่ใจในนิมิต ท, ที่ประกอบไปด้วยกุศลมีทานกุศลศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลนอกจากนิมิตนั้นน่ะวิตกอันเป็นบาปกุศล ธ, ธรรมที่ประกอบไปด้วยโลภะความกำหนัดโทสะความโกรธและโมหะยังเกิดขึ้นอีกคือมันละไม่ได้พอไปคิดๆๆจริงอ่ะมันเหมือนว่ามันมันมีพลังต่อกันเนี่ยป ร, ปริมาณของพวก กุศลทั้งหลายที่ทานกุศลศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลที่เราไปคิดเนี่ยมันยังสู้วิตกสู้กามวิตกไม่ได้สู้พยาบาทวิตกไม่ได้สู้วิหิงสาวิตกไม่ได้วิตกที่ประกอบไปด้วยฉันทาโทสะโมหะมันยังเกิดขึ้นมาอีกพระุทธเจ้าบอกเธอควรพิจารณาเห็นโทษของวิตกเหล่านั้นว่าเอาและเจาะไปที่โต ว, วิตกเลยว่า กรารมวิตกเนี่ยความคิดในเรื่องกามจิตใจที่แสบในเรื่องกามเนี่ยมันมีโทษอย่างไรตัวมันเองมีโทษอย่างไรใช่ไหมเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเผาร้นจิตใจยังไงให้เกิดความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินยังไงพยาบาทาวิตกเนี่ยมันเผาร้นจิตใจเราอย่างไรทําให้เกิดความเครียดความกับกุ้มกับกลุ้มเนี่ยนะทำให้สภาพจิตใจของเราเนี่ยเศร้าหมอ ง, งมยังไงโมหะในวิตกที่ประกอบด้วยโ ม, มหะก็คือประกอบด้วยวิจิกิจฉาและประกอบด้วยอุทธจารเนี่ยความลังเลสงสัยกับฟุ้งซ่านคิด รับอารมณ์ไม่มั่นไปเรื่อยแพ้ๆๆๆคิดอะไรเยอะบ่อยๆใช่อยอยไหมที่เคยเกิดใช่ไหมเนี่ยมันมีโทษมันมีโทษแล้วมันมีทุกข์เป็นวิบากอย่างนี้โอ้โหมีทุกข์เป็นวิบากก็คืออกุโสลกรรมในวัามันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีโทษนะเช่นพยาบใบกามไม่ิตกเนี่ยคิดแต่น้อมกามาก็คือ น, น้อมเอาทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตอนเองน้อมบุตรภรรยาของคนอื่นมาเป็นของตอนเองน้อมเกียรติยศชื่อเสียงคนอื่นมาเป็นของตนเองไอ้อย่างเนี้ย การคิดในลักษณะอย่างนี้เป็นความคิดชั่วร้ายหนึ่งครอบกรรมบทด้วยหนึ่งอยากได้สองน้อมเอามาเป็นของตนเองอันนี้เป็นการมเป็นกรรมมาฉันทะด้วยนะเออเป็นเป็นพวกอภิชาด้วยเป็นอภิชาเป็นอภิชาอกุศลด้วยนะมันโนทุจริตด้วยการน้อมในลักษณะนี้จะเป็นโทษของเขาคือบาปมันกินที่ใจทําให้เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่เสียหายแล้วไม่พอและยังเป็นกคนที่มีทซักก็ซักกวิบัติ มีทรัพย์มีสิ่งของมีวัตถุสิ่งของก็มีแต่คนมาช่วงชิงทั้งหลายจะวิบัติเพราะสิ่งของต่างๆมากมายเลยเพราะการที่เรามีใจน้อมเอาทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองเป็นต้นอะไรเนี้ยโอ้มันมีทุกข์เป็นวิบากแม้ความคิดในเรื่องโกรธโกรธไม่พอใจเราคิดให้คนอื่นวิบัติโ อ, อ้โหเป็นทั้งวิหิงสาด้วยการคิดแต่ลักษณะนี้จะทําให้ตนเองวิบัติยังไงพัาอายุคิดให้เขาตายคิดให้เขาอายุสั้นคิดให้เขามีโรคภัยแค่เจ็บ คิดให้เขาเสื่อมจากลาบเสื่อมจากยศทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นไอ้บาปอังสศธรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยมันส่งผลที่ใจเราส่งผลที่บุคลิกภาพเราไม่พอมันก็ทําให้เราเสื่อมลาบเสื่อมยศโดนนินทาประสบความทุกข์ตะบานั้นให้ผลอย่างนี้เป็นต้นนั้นเขาได้ไวพิจารณาถึงโทษของวิตกเหล่านั้นพอพิจารณาถึงโทษของวิตกเหล่านั้นก็จะสามารถละ ว, วิตกเหล่านั้นได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้พอวิตกเหล่านั้นตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็ตั้งมันจิตก็สงบจิตก็เป็นสมาธิดํารงมั่นโดยแท้เพราะ ละ ว, วิตกเหล่านั้นได้เห็นไหมนี่เจาะไปที่ตัววิตกมีโทษแล้วผลของวิตกก็มีโทษใช่ไหมมีโทษเป็นมีอบายทุกขติวิิบัตินรกด้วยถ้ากรรมเหล่านี้มันให้ผลนะก็เป็นสัตว์นรกสัตวาา์เดรัจฉานเปตอสุรกายถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดทั้งหลายก็เป็นคนที่วิบัติยากจนบ้างโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบีย น, บ, ยนบ้างมีทรัพย์ก็วิบัติบ้างโอ้โหเสียหายเนี่ยเห็นโทษมันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย มันจะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่กล้าปล่อยให้วิตกเหล่านั้นมีการมาวิตกเป็นต้นเกิดขึ้นอุปมาเหมือนอะไรเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุม่มที่ชอบแต่งตัวมีผู้นำซากงูซากสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาผูกไว้ที่คอถามว่าย่อมสะอิดสะอย่อมอึดอัดระ า, ารังเกียจแม้ชั้นใดพิกษูกชั้นนั้นแหละ ถ้าภิกษุนั้นใส่ใจนิมิตอื่นที่ประกอบไปด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นวิตกที่เป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบไปด้วยโลภะโทสะและโมหะยังเกิดขึ้นอีกก็พิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านั้นเป็นอกุศลมีโทษมีทุกข์เป็นวิบากอย่างนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะละวิตกมีกาโมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นต้นได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นสงบมีสมาธิตั้งมั่นดํารงอย่างแน่แท้ เพราะสามารถละวิตกนั่นได้อันนี้เป็นต้นนี่วิธีที่สองคิดว่าถ้าพิจารณาวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองแล้วเนี่ยคิดว่าบาปที่เกิดขึ้นในใจเราจะสามารถละได้ไหมได้ไมได้ยังสมมติว่ายังยังนึ่ได้ไห ม, ไไห ม, ไไหมละได้หมดเกลี้ยงไหมแบบ น, นี้ยังไม่ได้ใช่ไหมท่านก็บอกว่าถ้าภิกษุเนี่ยพิจารณาเห็นโทษของกาเมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตก หรืบาบศกใบสกานะพิจนารณาถึงโทษของบากปอกุศลกรรมมีการวิตกเบตุนเหล่านั้นอยู่วิตกที่เป็นบากปอกศุศลซึ่งประกอบไปด้วยฉันทะคือโลภะความกำหนัดยินดีโทสะคือความโกรธความเครียดโมหะความหลงยังเกิดขึ้นอีกออขนาดทําอย่างนี้แล้วเนี่ยทวิธีที่1ก็แล้วทําวิธีที่2ก็แล้วบากปอ ก, ศรกรรุศลแล้วอันชั่วร้ายทั้งหลายยังเกิดอีกยังกุ้งกลุ้มจิตใจอีกทําไงเธอไม่ควรใส่ใจในวิตกเหล่านั้น ไม่ต้องคิดถึงมันเลยเนีไม่ต้องคิดถึงถึงวิตกไม่ต้องคิดถึงการมวิตกไม่ต้องคิดถึงพยาบาทวิตกไม่ต้องคิดถึงผู้หญิงสาววิตกเมื่อเธอไม่ระลึกไม่ใส่ใจในวิตกเหล่านั้นย่อมละวิตกนั้นได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นสงบมีสมาธิดํารงมั่นโดยแท้แล้วก็ละวิตกเหล่านั้นได้ก็คือไม่มองมันซะเลยอย่าสนใจมันนทําเป็นว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ไปวิตกกังวลไม่ไปคิด เกิดก็เกิดไปไม่มองมันไม่ดูมันบอกให้เถอเหมือนเราเขาบอปมาว่าอุปมาเห ม, มือนคนตาดีที่ไม่ต้องการที่จะเห็นรูปที่ผ่านมาอ่าสมมุติเรามีคนเดินผ่านมาไม่ต้องการจะเห็นรูปเรามีตาดีทํายังไงก็หลับตาสิก็อย่าไป ม, มองอะ่ะใช่ไหมเออเรามีรูปผ่านมามีสีผ่านมามีสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจผ่านมาเนี่ยก็หลับตาหรือเหลียวไปทางอื่นจ้ะอ่าถ้าเราไม่อยากมองทางเนี้ยเราไม่อยากเห็นเก้ายี้ใช่ไหมก็ มองทางอื่นเถอสิไม่อยากเห็นคนนี้ก็หันหน้าไปดูคนอื่นอย่างนี้ไปต้นก็คืออย่าไปสนใจภิกษุนั้นน่ยถ้าภิกษุพิจารณาเห็นโทษของวิตกเหล่านั้นและวิตกที่เป็นบาปยังละไม่ได้หรือโมที่ประกอบด้วยราคาโทสามโมหายังละไม่ได้เธอไม่ควรระลึกถึงไม่ควรใส่ใจในวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอไม่ใส่ใจในวิตกเหล่านั้น ก็ย่อมละวิตกนั้นได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็จะตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิดํารงมั่นโดยแท้เพราะละวิตกเหล่านั้นได้นี่วิธีที่สามก็คือวิธีการไม่สนใจไม่สนใจไม่กลับไปมองไม่กังวลกับเขาก็เหมือนเราเห็นรูปที่ผ่านมาเราไม่อยากดูก็หลับตาหรือไม่งั้นก็เหลียวหน้าไปทัอยนี่เหมือนกันหลายต่อหลายเรื่องเรานั่งหนะ้าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันมีอะไรเยอะหมด ที่ ร, รอบๆตัวเราเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่สนใจไม่ใส่ใจเราก็ไม่ไม่เห็นจะไปกังวลกับสิ่งเหล่านั้นเลยนี่วิธีที่สก็คือว่าไม่ใส่ใจในการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกถ้าภิกษุไม่ไม่ระลึกในวิตกเหล่านั้นวิตกที่เป็นบาปอากุศลที่ประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมห oh ะยังเกิดขึ้นอีกพิจารณางต่อเธอควรพิจารณาเหตุเกิดของวิตกเหล่านั้น เอาะเอะไวนี้ขนาดไม่ใส่ใจมั น, นยังเกิดอีกนะไม่ใส่ใจไม่มองไม่คิดถึงการมวิตกความดํำริในการความร่านรนในการพยาบาทวิตกความคิดในพยาบาทวิหญิงสาววิตกความคิดเบียดเบียนเนี่ยไม่ใส่ใจแต่วิตกเหล่านั้ น, นยังเกิดขึ้นอีกเนี่ยพระเจ้าสอนว่าเธอควรพิจารณาเหตุเกิดของวิตกเหล่านั้นนี่ไปที่เหตุก็เข้าเลยว่าอะไรเป็นเหตุ เ, หเกิดของการมวิตกอะไรเป็นเหตุเกิดของพยาบาทวิตก อะไรเป็นเหตุเกิดของวิหิงสาวิตกว่าอะไรเป็นเหตุทําให้เราเกิดความกําหนัดยินดีอะไรเนอเป็นเหตุอะไรเกิดก่อนกามวิตกคือความกําหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความติดใจใฝ่ขสัหรือโกิดอะไรเกิดก่อนพยาบาทวิตกความเครียดความหงุดหงิดความโกรธความพยาบาททึกเกิดอะไรเป็นเหตุเกิดก่อนจึงเป็นปัจจัยทําให้ความคิดเบียดเบียนคนอื่นคิดให้คนอื่นวิบัติทั้งหลายเหล่านี้คิดกระทบกระทั่งคนอื่นมันยิ่งเกิด มาจากอะไรไมันมาจากสัญญาวิปลาสเ อ, อินมาจากอโยนิสโสมนสิการความคิดที่ไม่ฉลาดเป็นต้นด้วยแล้วก็มาจากสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสคืออะไรการไปจำในสิ่งที่มันคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเช่นเราไปจำในสิ่งที่ไม่งามเหม็นไเราไปจำสิ่งที่ว่าไม่งามว่ามันงามเนี่ยพอไปจาว่ามันงามขึ้นมาโอ้โหพยาไป การมองที่ตก็เกิดสิของที่มันไม่ดีแต่เราไปคิดว่ามันดีอ่ะของที่มันไม่สวยแต่เราไปซําไปจํำมาว่ามันสวยเงี้ยเช่นว่าผู้ชายคนนี้สวยผู้หญิงคนนี้สวยเนี่ยไ ป, ไปจำว่ามันสวยแม้แต่าหาเพราะไอ้ น, นี่สัญญาวิปราชเขาเรียกเป็นความจําที่วิปริตคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะไอ้งามมันไม่งามจริงอา่าอะไรผมเนี่ยยัางงามได้ไงมันปักอยู่ในหัวในศรีรษะเนี่ย มันก็กินเลือดใช่ไหมน้ําเลือดน้ำหนองขึ้นมาหล่อเลี้ยงเนี่ยมันงามที่ไหนทั้งสีก็ไม่งามทั้งกลิ่นก็ไม่งามทั้งที่อยู่ที่ปักมันไปเนี่ยก็มไม่ได้งามอะไรเลยดังนั้นเด็กเหมือนผักที่มันปลูกไว้กับส้วมเนี่ยใกล้ๆส้วมแล้วมันไปดูดเอาน้ําส้วมดูดเอาอุำจราระขึ้นมาดูข้างนอกเขียวงามอ้วนพีมันผมนมันนุ่นนุ่งเงินขนเงี้ยก็ปักอยู่ตามสรีระที่เน่าเปือ่อยเล็บเนี่ยโอ้โหเนี่ยใช่ไหมฟันเนี่ยโอ้โหในนั้ น, น, นเต็มเคอะไปน้ํา น, น้ําลาย สเลดผมขนเล็บฟันหนังไง น, นะโอ้โหมันปิดหุ้มซีไล เ, เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหารใหม่หารเกา่ามันสมองดีสเลดหนองเลืดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำปัสสาวะแล้วก็อุจจาระที่ไหลออกมาโอ้โหเนี่ยนะมันจฟีดจารณาจริงๆแล้วมันไม่ได้งามเลยแต่ว่าไอ้สัญญาวิปรัตน์นี่แหละไปจําว่างามไปจําว่างามหรือไอ้สัญญาวิปรัตน์ไปจําว่า มันน่าเกลียดอีกอย่างหนึ่งก็เลยไปเกิดโทสะหรือไม่พอใจไงีไปจํา่าไม่พอใจว่าคนนี้ด่าเราไอ้คนคนนี้เป็นศัตรู ก, กับเราเป็นต้นไปจําวิบ ร, ราทั้งๆเรื่องนั้นผ่านมาทั้งนานแล้วก็จำมาหมุนอยู่ในใจอยู่นั่นแหละก็เป็นเหตุทําให้เกิดพยาบาทวิตกหรือไปจําขึ้นมาเราจะต้องเบียดเบียนจัดการคนนี้เป็นต้นอสัญญาวิบร่านี่เองเป็นปัจจัยให้เกิดการมวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิหิงสาวิตตกบ้างอ๋อถ้าไปใส่ใจถึง ไปใส่ใจถึงเหตุเกิดของวิตกเหล่านั้นมีสัญญาวิปราชเป็นต้นเมื่อเธอพิจารณาทั้งเหตุเกิดตัด้งกล่าวเหล่านั้นอ๋อเพราะการจําผิดนี่เองจึงเป็นปัจจัยทําให้เกิดอกุศลวิตกเจ้าก็สามารถละวิตกได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็จะตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิดํารงมั่นโดยแท้เพราะละวิตกเหล่านั้นได้ไหมอุปมาเหมือนคนเดินเร็วเขาก็คิดอย่างนี้ว่าเราจะรีบเดินเร็วไปทําไม ถ้ากะไรเราควรเดินค่อยๆเดินเขาก็ค่อยๆเดินเขาก็คิดว่าเราจะค่อยๆเดินไปทําไมถ้ากะไรเราคงจะเราควรยืนเขาก็ยืนเขาก็คิดอย่างนี้ว่าเราจะยืนไปทําไมถ้ากะไรเราควรนั่งเขากจึงนั่งก็คิดต่อไปว่าเอ๊ะทำไมเรานั่งอยู่ทําไมถ้ากะไรเราควรนอนเขาก็นอนคนผู้นั้นเว้นอียาบทหยบหยาดแล้วก็ใช้ยาบทละเอียดละเอียดชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้น ถ้าภิกษุนั้นไม่ระลึกไม่ใส่ใจในวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลที่ประกอบไปด้วยชันทัศโทสะและโมห oh ะยังเกิดขึ้นอีกเธอควรใส่ใจที่ตั้งที่ตั้งของเหตุที่ปรุงแต่งวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอใส่ใจที่ตั้งแห่งเหตุ ด, ดังกล่าวย่อมละกามวิตกพยาบาทวิตกหญิงสาวิตกเหล่านั้นได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็ตั้งมันสงบเป็นสมาธิโดยลงมั่นโดยแท้พอละวิตกเหล่านั้นได้ แล้ประการที่4ี่จะเห็นชัดนะว่าในการพิจารณาเหตุเกิดของอกุศลวิตกคือสัญญาวิปลาดด้วยการพิจารณาโลกที่เราคิดว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นบุรุษเป็นสตรีนั้นมันเกิดจากสัญญาวิปลาดนะแท้จริงเป็นเพียงธาตุสีดินน้ําไฟลมที่มันประชุมกันอยู่จึงไม่มีเราไม่มีเขาบุรุษหรือสตรีที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแต่พอเราไปจําเป็นสัตว์เป็นสัญญาเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาแล้ว เรียบร้อยเลยใช่ไหมมีหไหมเหมือนเราเดินนี่แหละพอพิจารณาเออเราจะเดินไปทำไมใช่ไหมก็นั่ง เ, เราก็จะเห็นเหตุเกิดของการยืนการเดินการนั่งเนี่ยจิตที่คิดจะเดินอ๋อพอไปรู้สาเหตุว่าเนี่ยอาการที่เดินเป็นอย่างนี้เพราะมีจิตที่คิดจะเดินมีวายโยท่าที่พัดผันไปในอวัยวะอากับกิริยาการเดินก็เกิดขึ้นเพราะอ้อาวยืนเหมือนกันจิตที่คิดจะยืนท่าสี่ทั้งหลายก็มีการทรงตัวอากับกิริยารูกประคันที่ยืนก็เกิดขึ้นเวราจะนอนเหมือนกัน ถ่า4ี่ขันหทั้งหลายนี้ก็เป็นไปในส่วนขวางจิตที่จะนอนเป็นไปการ น, นอนก็เกิดขึ้นเป็นต้นพอไปรู้เหตุเข้ามันแล้วเนี่ยว่าอาจจะเกิดจากโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเหลา่านี้นี้เหมือนกันเพราะการที่เราไม่เข้าใจตัวปัจจัยที่แท้จริงของของดินน้ำไฟลมเนี่ยของรู ป, ปกายทั้งหลายของสัตว์บุคคลทั้งหลายเป็นต้นเหลา่านี้วิตรกเหล่านั้นก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปรู้เหตุ ข, ของเขาก็สามารถล้างวิตกเหล่านั้นได้ พระเจ้ากล่าวต่อไปว่าถ้าพิกษุนั้นใส่ใจที่ตั้งของเหตุที่ปรุงแต่งวิตกเหล่านั้นวิตกที่เป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบไปด้วยชันทะหรือโลภะเนี่ยโทสะหรือโมหะยิ่งเกิดขึ้นอีกวิธีสุดท้ายแล้วโอ้ขนาดทําขนาดนี้การวิตกก็เกิดพยาบาทวิตกก็เกิดวิหิงสาวิตกก็เกิดบาปอากุศลโลภะโทสะโมหะยิ่งเกิดดีพระเจ้าบอกว่า ถ้าหากว่าวิตกที่ประกอบไปด้วยโลภะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงที่เกิดที่นี่เธอควรใช้ฟันกดฟันใช้ไหฟันกดฟันกัดฟันเนี่ยนะฟันกดฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้ลองลิ้นงอลิ้นดันเพดานไว้อ่ามีวิธีทางโระกายนะใช้ฟันกดฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แล้วก็ใช้กุศลและจิตข่มมากุศลและจิต เาอากุศกแลแจิตไม่ใช่แค่นั้นนะนอกจากจะทํารู ป, ปกายข้างนอกแล้วเนี่ยใช้ฟันกัดกดฟันแล้วเนี่ยใช้ลิ้นดุลเพดานไว้แล้วไม่พอใช้กุศลจิตนะใช้กุศลแจิตเนี่ยพรมคมอากุศลจิตใช้กุศลคมอกุศลใช่ไหมจิตที่เป็นกุศลคมอกุศลเผาอากุศลเห็นไหมวเวลาเรา กัดปันเนี่ยกัดกรุ๊บเข้าไปใช้ลิ้นดุลเพดานเข้าไปแล้วก็คมอกุศลไม่ให้อกุศลเกิดรากว่าเราจะถ้ามันยังเกิดอีกเราก็จะสู้มันอย่างเงี้ยไม่ให้อกุศลมันเกิดแต่เราจะให้กุศลเนีเกิดขึ้นแล้วก็เผาโลภะโทสาวรหยให้หมดออกจา ก, กจิตเมื่อเธอทําเช่นนั้นก็จะละวิตกได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิดํารงมั่นโดยแท้เพราะละวิตกเหล่านั้นได้ โอปมาเหมือนอไรเหมือนคนที่แข็งแรงจับคนที่อ่อนแอกว่าแล้วก็บีบขั้นรัดศรีรษะหรือรัดคอไว้ชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นน่ะถ้าภิกษุนั้นใส่ใจที่ตั้งหรือเหตุเกิดเหตุที่ปรุงแต่งการม่วิตกเป็นต้นเหล่านั้นแล้ววิตกเหล่านั้นที่เป็นบากปกุศลที่ประกอบไปด้วยฉันท่าโทสามมหาม่ยิ่งเกิดดีกเให้ใช้ฟันกดฟันใช้ลิ้นดุลเพดานให้แน่นแล้วก็ใช้กุศลและจิตขม่มอกุศลจิตเผาอากุศลจิต ถ้าทำเช่นนี้วิตกนี่ยก็จะสามารถละวิตกได้จิตก็จะตั้งมั่นสงบมีสมาธิตารงมั่นโดยแท้พอละวิตกเ่านั้นได้นี่วิธีที่5สรุปแล้วห้าวิธีนะ 1. ย้อนกลับไปดูก็คือวิธีที่หนึ่งระลึกถึงเหตุที่ประกอบไปด้วยกุศลใช่ไหมถ้าอาการวิตกเกิดพยาบาทวิตกเกิดวิหิงสาวิตกเกิดให้ระลึกถึงทานกุศลศีลกุศลระลึกถึงสมถาวิปัสนา ที่นอกไปจากอารมณ์ที่ทําให้อกุศลวิตตกที่ประกอบไปด้วยฉันทาโทสะและโมหะเพราะเราเป็นมองรูปที่สวยๆเสียงที่เพาอๆกลิ่นอหอมปุ๊บหรือไปคิดถึงรูปที่สวยๆเสียงที่เพาะกลิ่นอหอมร้เที่ยลอยคิดอย่างนี้กางวิตตกเกิดไหมเกิดไม่เกิดเนี่ยกางวิตกเกิดหรือถ้าหาไปคิดถึงกโกรธไม่พอใจใครก็ไปคิดเนี่ยกพย็พยาบาทวิตตกก็เกิดหรือ ไปนึกถึงคนที่เคยปะิทุสลด์เราเราก็อยากปฏะทุสไลดยตอบหรือเราไม่พอใจใครด้วยเนี่ยก็ไปปฏิทุสลด์ตอบเนี่ยให้คิดออกคิดเข้าไปในทานศีลภาวนาดังที่ตะกาวแล้วเนี่ยพอคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยจะสามารถละวิตกได้ก็จะเปลี่ยนนิมิตประการที่2ถ้าการมวิตกพยาบาทวิตกวิญญาณสาวิตกเกิดขึ้นนิพพิจารณาโทษของอกุศลวิตกที่เกิดขึ้นที่เป็นอกุศลที่ทำลายความดีมีโทษแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นเนี่ยที่มีทุกข์ในนิบาก มีทุกในปัจจุบันด้วยแล้วจะมีทุกปัญบาในอนาคตด้วยนะให้พิจารณาเจาะไปที่ตัวก็เลยก็จะสามารถละได้ถ้ายังละไม่ได้อีกไม่ให้ระลึกถึงเอาขุนพิตกเหล่านั้นเอาเวทีไม่ระลึกถึงอาขุนลเหล่านั้นทํายังไงต่อจเจริญกรรมฐานได้ไหมได้ไม่ถ้าจเจริญกรรมฐานไม่ได้สาธยายเลยนะสมมุติว่าเอาขุนตกมันกินเนี่ยเอาเลยสาธยาย อิติปิโสภะคะวะอรังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโรขวิทูนุโตโรุริสธรรมะสาติสัทธ า, ทธาเดวันุสาน낭พุโทโธ น, นี่แปลว่าเราไม่ใส่ใจใช่ไหมไม่ใส่ใจในในวิตกเหล่านะั้น่ะมาใส่ใจในกรรมฐานที่เราเดินในขณะนั้นหรือว่าสาธยายธรรมะเลยเพราะเราสาธยายได้อยู่แล้วใช่ไหมเคยทําแบบนี้ไหมเออมันคิดไงก็ น, นอนไม่หลับนอนไม่หลับฟุ้งอยู่นั่นแหละสาธยายเลยได้ไหมได้ไม่ได้ ทำดิเลยเนี่ยภาษยาทยลุกขึ้นมาสายาไยเลยนันย่นแหละปะปะปปปปปปปภาไ ย, ยไปเลยเดี๋ยวมันชั่วสงบใช่ไหมเหตุก็สงบแท่ไม่ใช่เนี่ยวิธีแก่วิธีที่สี่พิจารณาเหตุเกิดของอคติตกที่เกิดจากสัญญาวิปราชโดยการพิจารณารูปที่เราคิดว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสตรีเป็นบุรุษเนี่ยมันเกิดจากสัญญาวิปราชเราพิจารณาว่าธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลม นี่เป็นแค่ผมขนเล็อปฟันหนังเนื้อเป็นต้นอย่างไรเออวิตกที่เกิดขึ้นที่พอใจไม่พอใจก็จะดับลงเอา้าถ้าคิดอย่างนั้นวิธีที่สี่ยังไม่หายอีกก็ใช้กุศลจิตข่มอ่ะกุศลจิตเผาเอกุศลจิตเลยโดยประกอบด้วยความเพียรสี่อย่างนะที่พระพุทธเจ้าทําที่ต้นพระศรีมหาโพนั่นแหละใช่ไงเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามที ถ้าไม่บรรลุธรรมจะไม่หยุดความเพียรที่จริงองศีนะอะไรบ้างแม้ร่างกายเหลือเพียงหนังเอ็นกระดูกและเลือดเนื้อในร่างกายจะเหือดแห้งไปนะศีน<ๆ>ก็จะไม่หยุดความเพียรไม่เปลี่ยนเอียบดจนกว่าจะได้บรรลุธรรม <c oughs> วิธีนี้ทำได้ไหมอเอาละ<ๆ>เนื้อและเลือดนะ ม่กในร่างกายจะเหลือเพียงหนังจะเหลือเพียงเอ็นจะเหลือเพียงกระดูกเนื้อเลือดจะเหือดแห้งหายไปก็ตามทีถ้าไม่ได้สามชั่วโมงหรือสองชั่วโมงจักไม่ลกขึ้นหนนี่เล่นกันไหมมั่นคงเลยเอาละอยากเกิดดีนะเราจะทอย่างนี้อะไรจะเกิดต่อพยาบาลพี่โตเกิดไหมเนย นี่เขาเรียกไม่ยอมเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นผู้ชำนาญวิธีทางของมิตกที่ฉลาดแล้วพระเจ้าก็กล่าวต่อว่าเมื่อภิกษุใจใจนิมิตใดเป็นอารมณ์แล้วพิตกอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบไปด้วยโรภะความกำหนัดโทสะความโกรธและโมหะย่อมเกิดขึ้ น, น แต่เมื่อเธอใส่ใจนิมิตอื่นซึ่งประกอบไปด้วยกุศลที่นอกจากนิมิตเหล่านั้นย่อมละวิตกนั้นได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นสงบมีสมาธิดำรงมั่นโดยแท้พอละวิตกได้เหล่านั้นได้นิววิธีที่1ถ้าได้วิธีที่1นึงก็เอาแค่วิธีที่1นึงก็ดำเดนินจิตสงบด่งแล้วก็เดินสมาธิตั้งมั่นได้เลยทีนี้เมื่อ วิธีที่สองเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกนั้นได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นสงบมีสมาธิดํารงมั่นโดยแท้พอละวิตกเหล่านั้นได้นี่วิธีที่2ก็เป็นเหตุแห่งการรู้ช่องทางแล้วก็เป็นเหตุทําให้สงบระงับวิตกมีกามาวิตกเป็นต้นได้วิธีที่3เมื่อภิกษุนั้นไม่ระลึกใส่ใจวิตกเหล่านั้นเธอย่อมละวิตกนั้นได้ ไม่สนใจมาสนใจกรรมฐานหรือสนใจสาธยายแทนเลนี่นะย่อมละ ว, วิตกเหล่านั้นได้วิตกก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิตาลงมั่นโดยแท้พอละวิตกเหล่านั้นได้นี่วิธีที่สาวิธีที่4เมื่อภิกษุพิจารณาเหตุเกิดของวิตกเหล่านั้นที่เกิดจากสัญญาวิปลาสความจําหมายที่คลาดเคลื่อนเธอก็จะละ ว, วิตกเหล่านั้นได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นเหมือนกัน สงบเป็นสมาธิดำรงมั่นโดยแท้เพราละวิตกเหล่านั้นได้ในวิธีที่4วิธีที่5เมื่อภิกษุนั้นกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดุลเพดานไว้แน่นใช้กุศลและจิตข่มอกุศลละจิตเผาอกุศลละจิ ต, จตถ้าทำวิธีการแบบนี้จะไม่ลบขึ้นถ้าไม่สามารถชนะบาปอากุศลละกรรมหรืออกุศลวิตกเหล่านี้ เธอก็ย่อมละวิตกนั้นได้วิตกเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อการวิตกตั้งอยู่ไม่ได้วิหิงสาพยาบาทวิตกตั้งอยู่ไม่ได้วิหิงสาวิตกตั้งอยู่ไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นสงบใสสะอาดเป็นสมาธิดํารงมั่นโดยแท้พอละวิตกเหล่านั้นได้ถ้าทํา5วิธีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ชํานาญในวิถีทางแห่งวิตกเนี่ยเรียกว่าได้แล้วได้อาวุธในการที่จะจัดการบาปแล้ว เวลาบาปขึ้นเ ก, เกิดขึ้นการภิกษุทั้งหลายเกิดขึ้นกับอุบาสกบาสิกาทั้งหลายก็จัดการได้เพราะเรามีอุปกรณ์มีเครื่องมือมีมือมีอุบายวิธีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปัญญาเราแล้ ว, ลวให้วิธีการเราแล้ ว, ลวให้หลักการให้ข้อปฏิบัติในการที่จะจัดการกับบาปอคุณละ ก, กรมันชั่วร้ายเด้๋ยแล้วถ้าใครทําได้อย่างนี้ mm. เห็นไหมวิธีที่1 2 3 4, ่งสองส้พระเจ้าบอกว่าเป็นผู้ชํานาญในวิธีทางแห่งวิตก เธอหวังวิตกใดก็จะเธอหวังวิตกใดก็จะตรึกถึงวิตกนั้นได้ไม่หวังวิตกใดก็จะไม่ตรึกถึงวิตกนั้นได้ตัดต้นหาได้แล้วคลายสังโยชน์ได้แล้วทําที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพอละมานะได้โดยชอบเห็นไหมกรณีอย่างนี้จะพูดชํานาญเลยแปลว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าสามารถละ ก, กาอมวิตกได้แล้วก็จะน้องก็หาเนคขมวิตกก็ด่นี่ชํานาญมากถ้าพยาบาดวิตกเกิดขึ้นมาปุ๊บ เธอสามารถรักพยาบาทวิตกได้น้อมก็หาเมตตามีความรักผาดผันดีเ อ, อื้อทอนได้ถ้าวิหิงสาวิตกเกิดปุ๊บคิดเบียดเบียนก็อื่นปุ๊บก็ตัดรอนวิตกเหล่านั้นได้ด้วย5วิธีเหล่านี้ก็จะสามารถเจริญกรุณามีใจเ อ, อื้อเย็นดูสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นได้เป็นต้นนึกน้อมทั้งหมดชำนาญมากหวังจะใช้วิตกใดก็จะสามารถไปกับวิตกเป็นผู้ชํานาญเลยถ้าคิดเข้าฐากรรมวิตกเรารู้ทันทีนี่จะคิดยังไงก็ได้เช่นคิดหารูปที่สวยๆเสียงเพราะๆกรรมวิตกเกิดไหม ก็เกิดกันดีถ้าบอกโอ้มันไม่สวยจริงก็ออกจากการวิตกเข้าถึงเนกธรรมวิตกถ้าคิดไปในพยาบาทในใสใจในความโกรธความเครียดความไม่สบายใจทั้งหลายวิตกก็เกิดกลางพอไพยาบาทวิตกก็เกิดคิดกาเมตตาทั้งหลายนเหล่านี้ก็ออกจากพยาบาทวิตกเป็นต้นนะ้เอ่อถ้าคิดในการเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยวิหิงหิงสาวิตกก็เกิดคิดกรุณาก็เนก ก็กรณีเอาวิงสาวิตกก็เกิดใช่ไหมก็จะเห็นรู้ว่าช่องทางของวิตกเนี่ยชำนาญอ๋อมันมาอย่างนี้เหตุเกิดเป็นอย่างนี้ก็จะชํานาญในวิธีทางในการที่จะละวิตกได้ทั้ง5วิธีดันทิศครับพเจ้าบอกว่าเป็นผู้ชํานาญในวิธีทางเดินเหววิตกแล้วก็จะหวังวิตกใดจกตรึกถึงวิตกนั้นได้ไม่หวังวิตกใดก็จะไม่ตรึกถึงวิตกนั้นชํานาญเลยทีนี้การมวิตกเกิดไม่ใส่ใจแล้วสามารถละได้อย่างรวดเร็วฝึกนะวิธีการนี้เอาไปฝึกบ่อยๆ ฝกวิธีที่หนึ่งที่2ที่สมที่4วิธีที่1การวมตกพยาบาทวิตกหิงสาวิตกเกิดขึ้นนึกถึงทานศีลสมถะวิปัสสนาเปลี่ยนนิมิตเลยไม่หายก็พิจารณาโทษโทษของการไม่ตกทั้งปัจจุบันและอนาคตโทษของพยาบาทวิตกทั้งปัจจุบันและอนาคตโทษของหญิงสาวิตกทั้งปัจจุบันและอนาคตอ่าพิจารณาถ้าหายถ้าไม่หายฝกวิธีที่สไม่ใส่ใจไม่เห็นนะ โดยการใส่ใจกรรมฐานหรือใส่ใจในการสาธยายไปเลยเอ้ายังเกิดอีกอไปพิจารณาเหตุเกิดของวิตกซะเลยเกิดจากสัญญาวิปุราษย์ยังไงเกิดจากอายโยนิโสมนัสศศการความไม่ฉลาดคิดยังไงเพราะการไปใส่ใจด้วยความเป็นหญิงเป็นชายเป็นบุรุษเป็นสตรีเป็นเราเป็นเขานี่แหละมันจะเกิดวิตกเหล่านั้นก็ไปใส่ใจด้วยความเป็นธาตุดยินน้ำไฟลมไปเลยเอ้ายังจัดการไม่ได้อีกวิธีสุดท้ายเนี่ยเป็นวิธีที่หักคอกันเลยว่ามันจะเรามีกําลังมากกว่าใช่ไหม มีศรัทธามากเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยไหมมีมีความแ ก, กล้าอาหารความเพียรไหมมีสติไหมมีสมาธิมีปัญญาไหมก็ใช้อินทร์สีห้าพระ5โพชงนี่แหละ7นี่แหละเอาศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นในตนนี่เลยเอากําลังกุศลที่มีพลังนึ่ที่เกิดขึ้นในเรานี่แหละจัดการเลยกดเลยวอยางั้นเลยเหมือนบุรุษที่มีกําลังเนี่ยจัดการคนที่มีกําลังน้อยกว่าลักคอกดเลยเหยียบเลยก็ได้ว่างั้นเลยกดแล้วไม่ให้ลุกขึ้นมาอีกเลยให้เขาหมดแรงเ่ย เหมือนนักมวยป้าเหมือนนะีกดให้หมดแรงให้เขายอมยอมยอมให้กลรงวิโตกขายอมแล้วพยาบาลวิโตเขาพบยอมแล้วมีหญิงสาวตเกายอมแล้วให้บาปมันยอมเลยนะบอกนี้จะเล่นกับใครไม่เล่นใช่ไหมมาเล่นกับคนที่มีพลังมากกว่าทานในกุศลเราแข็งแรงเราฝึกทุกวันศีลกุศลก็ฝึกทุกวันสมาธิกุศลก็ฝึกทุกวันปัญญาวิปัสนาญาณก็ฝึกจเจริญทุกวันโอ้โหมีกําลังขนาดนี้ทำไมจะจัดการไม่ได้ใช่ไหม เนี่ยพอมองเห็นใช่ไหมก็จะสามารถจัดการวิตกเหล่านั้นได้พอจัดการได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัดตัณหาได้เลยแล้วก็ละสังโยชน์ด้วยการบราคาสังโยชน์ปฏิฆาสังโยชน์ทั้งหลายละได้ทําที่สุดเหตุทุกข์ได้เพอละมันนะคือความเยื่อยิงถือตัวเป็นต้นได้เพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสภาษิตที้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็มีใจชื่นชมยินดีนี่นะพาสิทธของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือวิตักก า, าสันยานัสูตรนี่เขาเรียกว่าเป็นผู้ชํานาญวิถีทางเดินของวิตกด้วย รู้จากที่ตั้งของวิตกในลักษณะแบบเนี้แม่แบบนี้ถ้าเรารู้วิธีการอย่างนี้เอามาฝึกบ่อยๆเอาไปเจริญบ่อยๆต่อไปเราก็ไม่ต้องกลัวอกุศลใช่ไหมนี่ก็เป็นผู้ชํานาญเป็นผู้กล้าๆเป็นผู้อาจฐานถ้าเจอบาปอกุศลบอกว่ามามาม า, มาเล่นกันต่อใช่ไหมโซ่กันทั้งวันก็ได้นี้เราต้องไปพิจารณาใครควรนี่ดีนะตรงนี้นะไปพิจารณาให้ดีว่าเออเนี่ยว่าบาปอกุศลล ถามันชั่วร้ายทั้งหลายเหล่าเนี้ยนี่ยไปพิจารณาให้ดีว่าเราเนี่ยสามารถสู้เขาได้จริงๆไม่ใช่สู้ไม่ได้นาะแล้วพราะเรามีวิธีเหตุผลนี่เรามีวิธีเพราะอะไรเพราะเป็นศิษย์ที่มีครูใช่ไหมเรามีพระเจ้าเป็นครูของเราเป็นอาจารย์ของเรามีพระธรรมเป็นอาจารย์ของเรามีพระสงฆ์มีพระริยรสงฆ์เป็นอาจารย์ของเราเขาเรียกว่ามีพระราตนตรัตรยเป็นอาจารย์ใช่ไหมที่บอกว่าอะไรนะอ้าวิงดู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 มอบจนเป็นสิทธิ์ของพระสงฆ์ขอสงโปรดจําข้าไปเจ้าอย่างนี้เถิดเอาละสิโอ้ยคนนึกถึงอย่างนี้โอ้ยเรามีสิทธ์มีอาจารย์นี่คือพระธเจ้าเป็นอาจารย์ของเราก็ทําเป็นอาจารย์ของเราพระสงฆ์เป็นอาจารย์ของเราพรน อ, าาอาพนึกถึงพระเจ้าปุ๊บพระเจ้าฝึกตนเองได้ยานปัญญาแทงตลอดสัจจะสีได้เป็นตัวแทนของมนุษย์คุณคนแรกของโลกเออเราก็จะฝึกตามพระเจ้าเมยได้กําลังใจขึ้นมา พระธรรมแหะพระเจ้าประกาศหลักการที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยยังไงโอ้รำมาที่พระเจ้าทรงประกาศแล้วก็บุคคลที่ปฏิบัติตามธรรมมแล้วเข้าสู่ความเป็นอริยสงฆ์ได้เอา้าแล้ก็มีพุทธธรรมสังฆะเนี่ยเป็นหลักดําเนินชีวิตเรามีพุทธธรรมสังฆะนี่เป็นอาจารย์เรามอบตนถวายตนแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วโอ้งี้ชัดเลยใช่ไหมอา้าวแล้วพระพุทธเจ้าว่ายังไงวิธีการจัดการกับวิตกเหล่านี้จัดการกับการมวิตกวิธีที่1 2 3 4งสอง่ายังไง จัดการกับพยาบาทวิตกความเครียดความโกรธ12345อง่ายังไงจัดการกับวิหิงสาวิตกความคิดเบียดเบียน1 2 3่งสอง่ายังไงวิตกเหล่านี้ที่ประกอบเป็นชันทะที่ประกอบกับโลภะมันเป็นยังไงที่ประกอบกับโทสะเป็นยังไงที่ประกอบกับโมหะคือวิจิกิจฉาความลังเล ส, สงสัยและอุทธทจ่าความพุ่งสร้างยังไงเนี่เห็นเลยโอวิธีเรามีแล้วก็าบบมีหลักมีวิธีการเขาเรียกว่ามีมีหลักการในการที่จะจัดการกับบาปเวลามันเกิดขึ้น ไอ้เวลาบาปเกิดขึ้นเราก็จะไม่ปล่อยใช่ไหมลอยนวลปล่อยเออเออเพลินเนเนี่ยไม่ไม่ไม่ทำเด็ดขาดพอเกิดมาปุ๊บแหมโซกันหน่อยใช่ไหมเอาละงานเนี่ยแต่ก่อนเรายอมก็ตลอดใช่ไหมเวลาการมวิโตเกิดขึ้นก็ตามเขาเลยโอ้โหเาอยากจะให้ไปยินดีอะไรไปเพิดเพลินอะไรไปมัวเมาลุ่มหลงอะไรไปเวลาพยาบาทวิโตเกิดขึ้นจะใช้ร้องไปด่าใครโกรธใครแค่นใครกับใคร วิหิงสาวิตกเกิดขึ้นเวลาจะคิดให้เราเบีดเดยดเบียนใครคิดประทุษร้ายกับเราคิดอย่างไม่หยุดยั้งเลยแปลว่าเราเราเป็นทาตาของวิตกเหล่านี้ตลอดเราเป็นทาตาของการมวิตกเป็นทาตาของพยาบาทวิตกเป็นทาตุของวิหิงสาวิตกการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกจิตหัวเราใช้ตลอดเวลาเลยเโอ้หประกาศเลิกความเป็นาทาตทันทีต่อไปเราลุยธีการต่อไปเราจะเป็นทาตาของพุทธเจ้าเราจะเป็นทาตของพระธรรมเราจะเป็นทาตของพระสงฆ์ เออทำไมเป็นทาตของพระพุทธเจ้าบอกเราต้องการประกาศเลิกเกความเป็นทาตขาองอกุศลที่ตกเนี่ยไม่เป็นทาตของปัญญามาเป็นทาตของศีลสมาธิปัญญาก็คือพุธทธธรรมะสังขานี่แหละโอหตั้งหลักถูกปุ๊บเอาแล้วมีกําลังใหญ่เลยเนี่ยไม่กลัวกันแล้วตอนนี้ยนะกำลังมีหลักเอาแล้วกิเลสนะเขาก็เขาก็มีกําลังของเขา ศีล ส, สมาธิปัญญาก็มีกําลังเอา้าเราจะเจริญศีลสมาธิปัญญาเรามาฝึกในการเจริญศีลสมาธิปัญญาเรื่องอะไรเราจะกลัวกับสิ่งเหล่านี้โอ้โหพอได้กําลังใจอย่างนี้ขึ้นมาโอโ้มาเป็นกองเลยปุ๊บปุ๊บขึ้นมาใช่ไหมแต่สิ่งสําคัญที่สุดต้องจําให้ได้ว่าวิธีที่หนึ่งทำยังไงวิธีที่สองทำยังไงวิธีที่สามสี่หาทำยังไงบอกฟังผ่านไปแล้วจําวิธีการละอกุศลวิตกไม่ได้ยุ่งเลยใช่ไหมให้สังเกตดูนะ ในวิตตกาศสันฐานสูตรเนี่ยเป็นเป็นเป็ น, ปนพระ ส, สูตรที่10ที่ยังไม่ได้พูดก็คือทเวทาวิตกสูตรใช่ไหมในทเวทาวิตกสูตรเนี่ยยังไม่ได้พูดก็คือเป็นพระ ส, สูตรที่9ในมัชฌิมานิกายมุรบันนาแท้จริงจะต้องพูดสองสูตรนี่คู่กันคือเป็นการแบ่งแบ่งวิตกออกมาเป็นสองส่วนนั่นพระพุทธเจ้าตรัสแบ่งว่าแบ่งเป็นกาโมาวิตกพยาบาทวิตตกยิงสาวิตตกนั้นเป็นกลุ่มหนึ่งเนคขามาวิตกอาพยาบาทวิตตกเอายิงสาวิตกนั้นเป็นกลุ่มหนึาา่ง เรื่องตรงนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทําความเข้าใจด้วยใช่ไหมสูตรที่หนึ่งสูตรที่เก้าแล้วก็สูตรที่สิบแต่พอเพระอินวันนี้เรามาศึกษาสูตรที่สิบก่อน <c oughs> <c oughs> คือทางไปไปดูปที่ตั้งของเขาเลยแต่ยนสูตรที่เก้าท่านจะแบ่งพุทธิย่าจะแบ่งวิตกออกเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นอกุศลมิตกไม่ควรเจริญกับส่วนที่เป็นกุศลมิตกควรเจริญเป็นยังไงเ <c oughs> นี่ยเนี่ยในในพุทสูตรนี้ก็จะกล่าวบอกวิธีการเขาไว้แต่เมื่อสักครู่เนี่ย ทรงแนะหรือว่าพระพุทธเจ้าทรงแนะวิธีการละเลยละบาปละอกุศลนี้ตกนะอกุศลกรรมอกุศลธรรมมันชั่วร้ายเลยฟังอย่างนี้พอจะชัดเจนไหมมีตรงไหนที่มองดูว่าเออมันยังมีแง่มุมว่าเ อ, อ๊ยยังกลัวอกุศลอยู่ยังไม่สามารถจะสู้กับมันได้ใจเรายังหวันไหววิว ว, วอยู่ถ้ามันมาเกิดแล้วรู้สึกว่าเราเนี่ย เรายังมีกําลังใจเพียงพอเลยเนี่ยแล้วปัญญาเรา ย, ยังไม่ถึงด้วยอันนี้พระพุทธเจ้าบอกปัญญาไว้ ย, ยังบอกวิธีการนี่ยังบ อ, ยบอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมบอกวิธีการจเจริญฝึกฝนพัฒนายังไงแล้วก็บอกวิธีการที่จะทําให้ได้อธิ จ, จิตเลยเนะจิตที่ยิ่งด้วยก็คือบอกวิธีการจะทําให้สมาบัติเกิดเหตุผลที่สมาบัติเกิดไม่ได้จิตเป็นสมาธิไม่ได้ก็ะเพาะผิ็นน้อมอยู่ในกาลมืวิตกนี่แหละน้อมอยู่ในพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนี่แหละ จิตก็เลยไม่เป็นสมาธิจิตก็เลยไม่ตั้งมัน่นใช่ไหมนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ก็มองเห็นนะมีอะไรทงมีไม่มีไม่มีถ้าไม่มีก็รมควนเกีียวไรอย่า ง, งนี้อ่าก็ห้าโมงเนี่ยได้ชั่วโมงหนึ่งผมบทนากับพวกเราทั้งหลายก็ให้ ตั้งใจเอาไปฝึกฝนพัฒนาและต่อไปไม่ใช่ว่าเออเราไม่รู้วิธีใช่ไหมเรารู้วิธีแล้วจากนั้นเมื่อรู้วิธีแล้วเนี่ยเ อ, อ่อถ้าเรารู้วิ ช, ชาแล้วไม่เอาไปใช้วิ ช, ชานั้นจะไม่มีความหมายเลยใช่ไหมครูอาจารสอนวิ ช, ชาในการที่จะดับทุกเนะีวิ ช, ชาในการที่จะพ้นทุกเนี้เออถ้าเราได้วิ ช, ชาแล้วเนี่ยมันได้แผนที่แล้วไม่เดินมม่นมีประโยชน์ แต่หลายคนเนี่ยที่ไม่รู้แผนที่ที่ขยันเดินเนี่ยอันนี้ก็น่ากลัวใช่ไหมฉะนั้นไม่รู้อย่าเพิ่งขยันแต่พวกเราเรารู้แล้วถ้าเกียดข้านเอาหน้าเกียดอีกไม่ดีฉะนั้นฉันรู้แล้วขยันได้ยังตอนเนี้ยเอขยันได้แล้วก่อนหน้านั้นไม่รู้อ่ะโอ้ขยันจังเลยแต่ตอนเนี้ยรู้แล้ว รู้วิธีการรู้แผนที่รู้ช่องทางรู้ทางเดินรู้ว่าบาปมันจะมายังไงกุศลจะเกิดอย่างไงรู้จัดการกับบาปกุศลและทำตามยันไงรู้แล้วเหลืออย่างเดียวว่าเราต้องไปฝึกกันสุ่มควันเดียวเวลาแล้วขอให้ประสบความสําเร็จในการฝึกต่อไปนอนหลับได้จะหลับเมื่อไรก็ได้จะตื่นเมื่อไรก็ได้จะทําจิตนี้เป็นสมาธิเมื่อไรก็ได้จะออกจากสมาธิเมื่อไรก็ได้โอ้หวังว่าคงจะได้เจริญก็งามในกุศลการเองควอมหมดแลว